ความมั่นจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเช่นธรรมวัดรทั้งบะโคงวันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งอยูุกายวิเวกนี้จิตใจเรามันก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยอจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปพอเราวิเวกทางกายมาพอสมควร น, นั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัต งมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่ายโยมที่มากราบนักการวันนี้ยิ่ยงอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่ยงอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างมมเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโพงแล้วก็วจะมีความรู้สึกเปลี่ยนหรืเปเปลี่ยนออก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 เราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกกดีเมืองไทยกุยทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านกัเจ้าของบ้านออืแยกจากกันไหมผลที่สุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไป ผลที่สุดตัวเราที่เรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายไอ้บ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายมที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดฉะนั้นเนี่ะสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้าก็เป็นน้าไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไป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 จะได้เอาจิตนี่พิจารณาตายเมื่อพิจารณาตายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนแล้วสัตว์บุคคลก็ไม่มีอมืเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอตตามันเป็นอนต์ตาเสียแล้วอืเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็จัดไม่ได้ตายคนไม่ได้ตาย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 มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัจามันกบทไปอนาจามันก่อตั้งเป็นมามเมื่อเห็นก้อนอนาจารแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาจาร์เป็นของไมเ่เจตัวต้น เทวทูตนี้จึงสูงท่งในทางพุทธศาสตรานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเกิดแก่เดียดตายดูเห็นสภาวะตามเป็นจริงเป็นศักดิ์ใว่าดินศักแต่ว่าน้ํ า, าไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีอืมฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้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 เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำพร่ำสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอว่า น, นี้ให้พ้นจากวัตฏสงสารรังนั้นขอยมซึ่งมานวัตสการในวัดหงประพงวันนี้อยากจะประพฤติ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 ก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กล้เห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหมนีม่ขมอ่ามันดำแล้วมันก็งอไปขาวไปขนเกิดได้มันก็ร่วงไปเรอืมเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ประเป็ีอยู่อย่างนั้นอืมไม่คงเส้นคงวา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 มีความสุขขึ้นมาก็สักว่าจะสุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าจะวเอ่ว่าจะทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเรืนน่อนี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสตร์สนาที่สันสอนมาเอโกธรรมโมจบลงตรงนี้เอ่ยวิานั่นขอคณะทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูก รู้ผิดนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อนพระพุทธองค์ทันว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังโทกก็ยอ่ยยอมรับฟังเพื่อป ร, รับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานวัตสการในวัดนบฮวงวันนี้ทุ่่งนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจาก เมืองไทยไปจะแล้วฉะนั้นคำขวัญด้วยธรรมะเรตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจรารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมซึ่งสันติธรรมในบรวรพุทธศาสนา ต, ต, ตะลอดกาลนานตอนนี้จะให้พระสุมิโธ อธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้นสองเรื่องเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเรียกว่าเทวาทูตอันนั้นให้พ้นจากประสาสงสา ร, รต่อไปนั้นพูดถึงการปฏิบัติให้มันกระคัดลัดง่ายขึ้นไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานปิจรารณา